เก็บตกเช้าที่ก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ญาติโยมฟังที่วัดเซนแห่งหนึ่งอาจารย์เซนได้นั่งหลับตาอยู่ที่ทก้อนหินโดยมีลูกศิษย์นั่งอยู่ข้างหน้าสี่ท่านบริเวณนั้นก็อยู่หลังวัดเต็มไปด้วยดงวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดลูกศิษย์ที่มานั่งกับอาจารย์ก็หวังจะถามปัญหาธรรมะ แต่การเซนก็ไม่ยอมพูธมะอาจารย์เซนลืมตาขึ้นแล้วก็เอ่ยปากขึ้นว่าทำอย่างไรเราจะกําจัดวัชพืชเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้ลูกศิษย์คนแรกก็เอ่ยขึ้นว่าก็ใช้จอบใช้เสียมนี่แหละถางให้หมดไปอาจารย์ก็ยิ้มยิ้มไม่ว่าอะไรคนที่สองเอ่ยขึ้นว่า จุดไฟเผาก็สามารถกําจัดพันธุพืชเหล่านี้ได้าการก็ยิ้มๆแ้วไม่ได้ว่าอะไรคนที่สบอกว่าใช้ปูนขาวเอามาโรยพันธุพืชเหล่านี้จะตายหมดคนที่4บอกวิธีสท่านนี้ยังใช้ไม่ได้การปราพันธุพืชเนี่ยจะต้องใช้วิธีขุดรากถอนโคนถ้าไม่มีรากพันธุพืชก็ตายหมดขึ้นไม่ได้เา่นเซน ได้ฟังลูกศิษย์ตอบแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้พวกเจ้าเนี่ยแบ่งที่ดินในการรับผิดชอบเนี่ยให้เท่าๆกันแล้วปีหน้าเราจะมาประชุมกันตรงนี้อีกการเวลาผ่านไปหนึ่งปีบริเวณนั้นไม่มีว่าจะพืชแล้วมีแต่พืชพันธุยาหารพืชผักสวนครัวเหลือบาลามหน้าขี้ไปหมด พอลกศิษย์ทั้ง4ท่านเนี่ยได้ทดลองตามวิธีการของตนผมก็กดัว่าไม่ได้ผลเพราะว่าวัชพืชไม่สามารถทําลายได้โดยใช้จอบใช้เสียมขุดหรือถางหรือใช้ไฟเผาใช้ปุนขาวหรือคุณละถอนโคนอย่างใดมีวิธีอนุทิปวัชพืชได้ผลก็คือนําต้นไม้ที่เป็นประโยชน์นําต้นไม้ที่ว่าใช้ประโยชน์ได้พืชผักผลครัวมาลงเพื่อคุมหน้าดิน ก็ทําให้ว่าจะพืชไปสามารถโตได้เป็นวิธีได้ผลที่สุดอันวานําเรื่องนี้มาเล่าเพราะเห็นว่าตัวเองทดลองมาแล้วแล้วเห็นว่าได้ผลจริงๆก็คือการปลูกต้นไม้ระคุมหน้าดินอย่างอื่นลองแล้วไม่ได้ผลหรอกไม่ว่าจะเป็นถอนทั้งทั้งทั้งต้นทั้งรากหรือใช้จอบเสียมขุดปราโคใช้ไฟเผาก็ไม่ได้ผลเพราะสมมุติว่าจะพืช ต, ตัวนี้ตายไปตัวอื่นขึ้นมาอีกเพราะที่โล่งเนี่ย เวลาฝนตกขึ้นมาวัชพืชก็แย่งกันขึ้นอ่ะเพราะสิ่งต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องการขึ้นแล้วโตเร็วด้วยนะต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยไม่ค่อยโตหรอกแต่วัชพืชโตเร็วมากเลยไม่ว่าเป็นพวกสาบเสือต้นหญ้าอย่างที่กุฎามาก็มีต้นความตายไปเป็นสร้างปัญหามากเลยต้นความตายไปเป็นตอนแรกเอามาที่กุฏิแค่ต้นเดียวเท่านห้นตอนหลังเนี่ยมีเป็นโดงเลย เป็นดงกระจายไปทั้งกุฏิเราถอนไปเอาสมมุติเราเหลืออยู่ใบหนึ่งไนงะใบหนึ่งมันสามารถออกลูกออกหลานได้อีกน้ําไม่ทน้ไปทัวนวเลยนะเพราะว่าแค่หงาใบายอยู่กับพื้นใบเดียวก็สามารถขึ้นได้ละคือเขาขยายพันธุ์เก่งไนงะทําให้เป็นโดงทั่วงหมดยางดีอลาบ้าไม่นําไปปลูกที่สาหน้าดนาไปปลูกสารานายนะุ่งเลยแต่วิธีแก้ได้ผลก็คือหาต้นไม้บางอย่างนะที่เป็นประโยชน์แล้วแหละไม่ให้พื้นดินตรงนั้นโลงนะ่งไงก็ทําให้เขา้โตตัวลําบาก แถวแรกพุทธิอาจะไปส่ยาเนาเมื่อก่อนก็เป็นวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดแล่ะอันว่าก็นําขาไก่ดํามาลงก็แก้ปัญหานี้ได้เดี๋ยวนี้พวกวัชพืชก็ไม่ค่อยมีแล้วมีก็น้อยมากเพราะขาไก่ดำโตแล้วก็คุมหมดทําให้บองไปทางไหนเป็นระเบียบเป็นร้อยสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสามารถนําขาไก่ดํามาเป็นยาได้แล้วพวกวัชพืชจะโตเร็วกว่าต้นไม้ให้เราปลูกก็เหมือนกีเลสแล้วล่ะแค่ได้อาหาร เขาจะทำหน้าที่เย็นทีเลยต้นไม้ให้เราปลูกที่โตช้าก็อค่อยฟูฟักแต่ต้นไม้ใบจะพื้นเนี่ยแค่ฝนตกแรงๆชุดใหญ่เนี่ยก็โตแซงและก็เหมือนกับกีเลสอย่างความโกรธถ้าเรามีสายที่โกรธนะเจอเจ อ, เจอยุงมากัาก็ตบพว้เลยหรือเจอใครมาพูดผิดหูก็ด่ากลับเลยหรือ เก็บความโกรธไม่ได้เนี่ยถ้าทําบ่อยๆเป็นนิสัยนะความโกรธจะเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยเหมือนเปลี่ยนรูปสายอะเหมือนเราให้อาหารมันไงแต่ถ้าเรามีเมตตาให้อาภัยเนี่ยความโกรธกล็ลดลงหนึ่งหน่วยถ้าใครทํำบ่อยๆก็กลายเป็นคนที่โกรธยากแต่ถ้าใครเป็นคนที่โมโหโกรธ ง, ง่ายเนี่ยเราโกรธบ่อยๆเนี่ยกําลังมันจะย ม, มากขึ้นมากขึ้นถ้าถึงระดับหนึ่งเนี่ยสามารถทําร้ายคนอื่นได้เลยนะ เผอเผ่าคนตายได้เพราะความโกรธแล้วเข้ามาในจิตใจทุกคนเป็นคนดีนะแต่ว่าบางครั้งถูกอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่เปรียบเหมือนว่าจะพืชแบบเข้ามาในจิตใจก็อย่าไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างคนที่เมาเหล้าเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเราทำอะไรลงไปเพราะขนาดนั้นเนี่ยขาดสติก็มีหลายคนเสียผู้เสียคนเพราะว่าเสพยาเพราะกินเหล้า หรือเป็นคนที่ไม่เขสติทําอะไรก็ถูกอารมณ์รังควอบงาง่ายดีใจยนแบบเกินกว่าเหตุหรือเสียใจจนเวอร์อะไรเงี้ยเหตุก็เพราะเราไปให้อาหารมันไงอาหารอาหารคือให้ค่ามันแล้วก็ให้อาหารนมากเนี่ยมันก็โตวไวเราก็ต้องอย่าให้อาหารมันแล้วก็เติมความดีลงไปปลูกฝังคุณลักดีไงทำความดีมากๆเนี่ยจิตมันก็มีกาลังเหมือนกันนะอย่าโคลชี้เกียร์น่ย ถ้าเกิดเราขยันขึ้นมาบ่อยๆความขี้เกียจก็ก่อนกำลังอย่างมาทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือทำงานส่วนรวมทาราทาบ่อยๆด้วยจิตที่เป็นกุศลก็เหมือนกับเราปฏิบัติธรรมด้วยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึง่งเป็นเรื่องจริงเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยเต็มไปด้วยภูเขาการสัญจรยากละบากมากสำหรับชาวชนบทนะ บางครั้งจะไปหาหมอหรือไปที่เมืองเนี่ยต้องเดินทางข้าบุกเขาช่วงที่หน้าฝนก็มีคนลื่นตกลงไปตายหรือช่วงที่หิมะลงเ่เหมือนกับอยู่นอกโลกเลยละบากมากก็มีพระหนุ่มท่านหนึ่งชื่อว่าซินไก่ท่านจาริกมาบริเวณนั้นเห็นแล้วเกิดความสงสารชาวบ้านแถว น, นี้จึงเสนอตัว จะช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นโดยตัวเองเนี่ยตั้งใจไปแล้วด้วยใจิตใจแน่วแน่ ว, ว่าจะเจาะอุโมงค์ภูเขายาวประมาณเก0รเมตรคือเกือบเกืบเกบอบกิโลอะ่ะซึ่งความคิดนี้พวกชาวบ้านนอกจากไม่สร ะ, ะเสริญหรือไม่ขอบคุณแล้วยังว่าบ้ายเพราะว่าทำไม่ได้ได้ยังไงเพราะว่าเป็นความคิดที่ไม่มีชาวบ้านคนไหนก็คิดทำกัน เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไงแต่พระสินไกรบอกว่าทำได้ท่านก็ไปหาสิวหาคอร์มาแล้วก็เริ่มลงมือทำจะมีพักก็ช่วงไปบิเทบาทช่วงฉันอาหารวันแล้ววันเล่าถ้าใคยผ่านบริเวณนั้นก็ได้เสียงดังดังป๊อกป๊อป๊อตลอดท่านทำแบบไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อย วันแล้ววันเล่ากายเวลาผ่านไปยี่ปดปีขุดเจาะเจาะชินมายี่สิปีถือว่าถือว่านานนะถ้าหัวใจไม่แก่งทำไม่ได้หรอกตอนแรกชาวบ้านก็บอกว่าทันบ้าแต่ตอนหลังก็โอ้ไกลใกล้ฝาเป็นจริงแล้วเพราะอีกไม่นานก็จะทะลุ ก, กันได้ภูเขาก็เลยสรรเสริญเนท่ยตอนหลังแล้วแล้ววันหนึ่ง ก็มีสมูไลหนุ่มคนหนึ่งและเดินทางมามาหาแล้วก็ถามชื่อท่านท่านก็ตอบวา่าใช่แน่ดีเนี่ยเมื่อย8ปปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อสินไกรตอนนี้งเลียงหลวงพ่อแล้วเพราะว่าแก่แล้วตอนแรกเป็นหลวงพี่ตอนหนุ่มๆที่ท่านยังไม่บวชเนี่ยท่านเป็นเด็กรับใช้บ้านบ้านของขุนนางโชกุลแล้วด้วยความที่ท่านเป็นคนหน้าตาดีไง ทำให้ภรรยาของขุนนางเนี่ยเกิดปิ้งขึ้นมาก็เลยลักลอบไปชู้กันทีนี้ขุนนางพอรู้เข้าก็โกรธมากก็เลยถือดาบมาไล่ฟันสิงไกสิงไกหรือฝันลักชีวิตก็ป้องกันตัวอุตลุดละฟาดดาบได้ก็ป้องกันตัวแต่ก็พังมือฆ่าขุนนางตาย จึงจำเป็นต้องหนีไปกับภรรยาขุนนางไปใช้ชีวิตสามีภรรยาได้ระยะหนึ่งก็เกิดสำนึกผิดว่าตัวเองทำแบบนี้ไม่ได้ยังไงต้องหนีหลบหับซ่อนซ่อนจึงเลือกกันแล้วก็มาบวชบวชแล้วท่านก็ตั้งใจทำความดีไถ่บาปเห็นว่าถ้าท่านช่วยให้คนเนี่ยเดินทางสัญจรสะดวกจากภูเขาลูกนี้ก็สามารถไถ่บาป ที่ติดขางจิตใจได้ไงท่าก็จึงลงมือทํไงแต่ขณะนั้นคุณนาก็มีลูกชายที่กำลังเล็กๆอยู่นะพอตอนหลังพ่อถูกฆ่าตายก็ฝึกสำบูรยัยฝึกสำเร็จก็สืบเพื่อตามหาคนที่ฆ่าพ่ออ่ะสืบมาตั้งหลายปีแต่ตอนแรกก็รู้ว่าเอะหลบพ่อองนี้อยู่ในเครื่องแบบเนี่ย ใช่หรือเปล่าจึงไม่แน่ใจจะต้องถามให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการฆ่าผิดตัวหือเพาะสิงแก่ก็ยอมรับไงว่าเป็นคนฆ่าแต่ขอผัดผ่อนนะบอกว่าขอให้ทำงานขุดอุโมงให้สำเร็จก่อนแล้วจะมอบศีรษะให้จะไม่หนีไปไหนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมชายหนุม่มเห็นว่าท่านก็แก่แล้วแล้วสิ่งที่ทำก็เป็นประโยชน์กับมหาชนตกลงแล้วก็อยู่ด้วยกันแหละ ยืนแรกที่นอนอยู่ในอ ย, อยู่ในถ้ำเนี่ยช้หนุ่มก็คิดจะไปฆ่าหลวงพ่อเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าระแวงกลัวหลวงพ่อศีลกายทาแอบลอบทําร้ายไงนะจึงย่องเข้าไปได้ยินเสียงป๊อกป๊กป๊แล้วก็เสียงสวดมวนต์พึมพำตลอดใช้หนุ่ ม, มใจหายว่าบเลยเพราะว่านี่หรือคนที่ฆ่าพ่อเราทําไมถึงเป็นคนดีแบบนี้ หลังจากนั้นก็เริ่มไม่ระแวงแล้วเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยการสมัยหนุ่มก็ช่วยขุดช่วยจอดด้วยเพื่อจะได้เสร็จไวๆผ่านไปสองปีเขาเก้าเมตรก็สามารถทะลุ ก, กันได้หลังจากทำงานสำเร็จหลวงพ่อสิงไก่ก็ก้มศีรษะลงบอกตอนนี้งานสำเร็จแล้วถ้าสามารถตัดหั ว, วได้สมัยหนุ่ม ก็รีบก้มศีรษะลงคำนับน้ำตาไหลบอกใช้ผมตัดหัวผู้เป็นอาจารย์ได้ยังไงเรื่องนี้ก็จบลงด้ดีจากศัตรูก็กลายเป็นกลายเป็นคนนับถือกลายเป็นอาจารย์เพราะความดีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำความเพียร30ปีแห่งการขุ จ, จโมงถือว่าค่อนชีวิตคนเลยนะถือว่ายาวนานมาก ถ้านก็นทำสำเร็จหลักฐานก็มีอยู่ทุกวันเนี้ยที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็น่าสารเสริญถ้าใครทําอะไรไปสําเร็จก็ให้รู้ถึงเรื่องนี้อาจจะมีกำลังใจขึ้นมาบ้างแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันเรื่องนี้เกิดที่ประเทศอินเดียมีลุงอยู่คนหนึง่งชื่อแบนจิแค่อยู่แถวแฟมบ์อคอด่ะแถวๆบ้านแกก็มีภูเขาอ่ะสูงประมาณ 7.6 เมตรกือเกือบ8เมตรน่ะขวางกั้นอยู่เวลาจะเข้าเมืองไปฝั่งนู้นน่ะจะต้องเดินอ้อมเขาเนี่ยซึ่งระยะทางก็หลายสิบกิโลเลยไปมายากมากแต่ถ้าเกิดไม่มีภูเขาวขวางกัน้นก็จะใช้เวลาประมาณกิโลกิโลเดียวระยะทางกิโลเดียวเหตุที่แกคิดจะย้ายภูเขาเนี่ยก็มาจากภรรยาของแกเนี่ย ปีนไปเก็บอาหารที่บนภูเขาแลีวตกลงมาขาหักขาหักเขาลยจะพาไปหาหมอก็ไม่ได้ก็ต้องรักษากนันเองตามีตำเกิดแล้วแกเห็นความยากลำบากของชาวบ้านแถวนั้นเพราะภูเขาขวางกั้นไปมาลำบากไงแกก็เลยขายแพะประมาณ6ตัวแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์เชือกสกัด ค้อนแล้วก็ลงมือเหละลงมือภูเขาแกไม่ได้คิดสูบบงเหมือนหลวงพ่อสินไกรนะแล่คิดจะทําลายภูเขาให้ลาบเป็นหน้ากองคนแถวนั้นก็บอกแกบ้าจะทําได้ยังไงแกก็ไม่สนใจกุมน้ำดาทําไปตอนแรกชาวบ้านก็บอกว่าแกบ้าแต่ตอนหลังเอา้าสิบกว่าปีผ่านไปเนี่ยภูเขาก็เริ่มยุบลงยุบลง มองเห็นอนาคตว่าสามารถทะลุได้รับเรียบได้ชาวบ้านก็เลยซื้ออกกุปกรณ์มาเพิ่มให้บ้านก็ช่วยย้ายขนหินที่ถูกทุบแล้วอะ่ะแต่แกก็ต้องทำคนเดียวอยู่ดีการเวลาผ่านไปภูเขาก็ถูกทลายลงได้ลูงเบนจีใช้เวลา22ปีนะทำตั้งแต่พศสอ2พ จนถึง 2,524 ก็สำเร็จอื่22ปีที่ก็นานนะสำหรับการย้ายภูเขาหลังจากนั้นก็เป็นถนนคนก็ไปสามารถไปที่เมืองได้พรานิสงของแกเหตุก็คือความรักก็แหละความรักภรรยาและแม่คนอื่นเนี่ยต้องมาเป็นดอแกงเรื่องนี้ก็เป็นที่สารเสริญ ของคนอินเดียนะเป็นรู้สอนเลยแหละเพราะตรงนั้นก็อยู่ใกล้ๆกลอะไรทัศมาหารมั้งเพราะทัศมาฮารเนี่ยเป็นรู้สอนของความรักแต่ก็ทําให้คนตายมากมายแต่ น, นี้ทําเพื่อส่วนรวมทัศมาฮารเนี่ยทำเพื่อส่วนตัวจึงต่างกันเป็นความรักแบบไม่เห็นแก่ตัวที่ประเทศจีนก็มีนะหลายเรื่องเลยเรามาก็จํามาเล่าไว้ไหวไอ้เรื่องย้ายภูเขาทําอะไรที่เกินกําลังมนุษย์อะ สำหรับคนเดียวเนี่ยแต่เรื่องนี้มีอยู่จริงว่าทำได้อยู่ที่หัวใจไงถ้าหัวใจมุ่งมั่นก็ทำสำเร็จแต่ถ้าเราท้อแต่แรกเราก็ทำอะไรไม่สำเร็จรล้มเหลวทุกเรื่องมีนิทานเสร็จอยู่เรื่องหนึง่งชายหนุม่มคนหนึ่งอยากจะเป็นสบู่รายที่เก่งไงจึงเดินทางมาหาอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์คนนี้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะเขาไปถึง ก็มาขอเรียนแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าฝึกสมบูรณ์สำเร็จเนี่ยจะใช้เวลากี่ปีอาจารย์ตอบว่าเจปีใช้หนุ่มนี่คิดหนักเลยนะเพราะ7ปีนี่นานมากเลยสำหรับการฝึกอะไรทั้งอย่างเนี่ยจึงบอกว่าถ้าเกิดผมเนี่ยตั้งใจฝึกมากกว่าเดิมทั้งกายแรงกายแรงใจจะใช้เวลากี่ปี อาจารย์บอกว่าส4ี่ปีใช้ดุ่มเซ็งในตอนนี้แทนที่จะสำเร็จเร็วกับช้านะเขาบีใช้ดุ่มจึงเอ่ยกับอาจารย์ว่าตอนนี้พ่อผมว่าแก่มากแล้วผมมาฝึกดาบสบุรีเนี่ยเพื่อจะให้พ่อได้ชมฝีมือไนถ้าเกิดใช้เวลานานขนาดนั้นพ่อก็ไม่โอากาสได้เห็นควาบเก่งของผมดังนั้นผมจะขอทุ่มเทแรงกายแรงใจมากกว่าเดิม แบบฝึกแบบขยันเท่าที่สุดเท่าที่ทําได้อะจะใช้เวลากี่ปีอาจารย์บอกยี่บปีใช้ยหนุ่มเี่หมดเลยแต่อยากเลยยิงรีกว่ายิงช้าแต่ก็ไม่รู้จะไปหาอาจารย์ที่ไหนนะเพราะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าอาจารย์ขเขาเนี่ยเก่งที่สุดจึง จ, จับใจอยู่กับอาจารย์นะอาจารย์ก็ให้ใช้หลุ่มเนี่ยไปอยู่โรงครัวคอยทําหน้าที่ผ่าฟืนแล้วก็หามน้ํา ก่อไฟชายหนุ่มก็ทําอ่ะอาจารย์ไม่มีพูดถึงเรื่องฝึกดาบเลยผ่านไประยะหนึง่งขณะที่ชายหนุ่มเผลออาจารย์ก็ถือดาบไม้เขาบอกฟันเลยฟาดไปที่กลางหลังอะ่ะทำให้ชายหนุมน่ะเจ็บนะแล้วอาจารย์ก็ตีใช้ดาบใช้ดาบไม้ตีฟันชายหนุ่มก็ต้องป้องกันอุดตัวอุหลุดละหยิบฟืนบ้างหยิบอะไรบ้างเพื่อป้องกันตัว พอตีจนหน้ำใจแล้วอาจารย์ก็จากไปถ้าเผลออาจารย์ก็มาใหม่ย่องแอบมาแล้วก็ใช้ดาบไม้หละฟันฟันแล้วก็แทงใช้หนุ่มอะใช้หนุ่มเจ็บตัวตลอดนะเพราะว่าสู้อาจารย์ไม่ได้หรอกอาจารย์เร็วและเก่งก็ต้องสู้ตามสายชัยน้นญาญเจออะไรต้องไปอาวุธบททำให้ไม่กล้าเผลอละเพราะเผลออาจารย์มาได้ตลอดกลางคืนนอนอาจารย์ก็ย่องมาตีนะ มาตอนไหนก็ได้ไม่มีเวลาทําให้จิตของชายหนุ่มเนี่ยต้องตื่นตัวตลอดเลยพอ ต, ตอนหลังชายหนุ่มก็เร็วขึ้นมีแสงชี้ยานของสบู่ลยจิตตื่นอาจารย์กตีเบดาตอนหลังก็าชายหนุ่มเก่งขึ้นและในที่สุดชายหนุ่มก็สําเร็จวิชาสบู่ลยตอนหลังก็ถือว่าเป็นสบูไรายที่เก่งคนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นพิธีสอนแบบนี้เป็นพิธีสอนที่รัดและเร็ว แบบดึงสายชาิยานของสบายออกมาไงาำไปสู้ไม่ป้องกันตัวเจ็บนะแล้วก็ได้ผลทำให้ฝึกสำเร็จเร็วกว่าที่คิดถือว่าจาายคนที่ฉลาดในการฝึกลูกศิษย์แบบไม่มีใครเหมือนวันนี้เป็นวันกรรมกรอันบ้านเนี่ยพูดวันกรรมก ร, รยากมากเพราะไม่ลงล็อกส่วนมากไปโดนวันพระ้งส่วนใหญ่วันกรรมก ร, รมเป็นวันที่ทางวัดเนี่ยป่าสุขโตนะ เป็นวันสามัคคีก็ได้ก็ทําให้พระได้มาร่วมการทํางานรุ่ก็ทํางานพราะที่วัดด้วยวัดใหญ่มันจะมีงานเยอะมันจะเป็นต้นไม้ลม้มหรือการอื่นอื่นบ้างไปการประกรบถ้าเราทําเป็นนะเราก็จะสนุกกับงานด้วยถือว่าได้ช่วยส่วนรวมได้ช่วยวัดวัดนี่ก็ถ้าเรามองให้ดีเป็นวัดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วัดของคนใดคนหนึ่ง พอเราคิดว่าเป็นวัพดพระเจ้าเนี่ยงานที่เราทําเนี่ยก็จะเป็นฝาดถูศาลาเก็บฟาดใบไม้ทํางานต่างๆเนี่ยเราก็ ท, ทําถวายพระเจ้าไปถือเป็นการลดละความเห็นกั่ตัวด้วยแต่ถ้าเราทําโดยที่ไม่คิดว่าเป็นวัพดพระเจ้าหรือทําเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างอยากให้คนทุกคนนี้รักอะไรเงี้ยหรืออยากให้คนชื่นชมเราอันนี้เป็นการวางใจที่ผิด เราจะผิดหวังก็ได้เพราะแต่ละคนจะมีนิสัยต่างกันบางคนก็ขยันแบบเป็นธรรมชาติเลยบางคนเนี่ยขยันมา ก, กอะมาเห็นแล้วเขาทําเองนะแ บ, แบบไม่ต้องเราไม่ได้บอกเขาหรอกว่างปุ๊บบินบายกลับมาก็ออกฝ่าไว้บ่ายแล้วหรือบางทีฝ่าตากลอ น, อนที่จะบินบาดหรือว่าก็ช่วยงานวัดช่วยดูช่วยนี่โดยที่เขาช่วยเองโดยไม่ไดใครบอกแต่บางคนเนี่ยขี้เกียจหาทางหลบหลีกซึ่งระยะยาวเนี่ยคนที่หาทางหลบหลีกเนี่ยเจ้าตัวไม่รอด เพราะว่าสิ่งที่ไม่อยู่กับตัวเราเองไงไปทํางานทั้งโลกไม่ค่อยรับผิดชอบไงอยู่ทางทำก็ประบัติทำให้เก้าหน้ายากเพราะตัวเองไม่มีวินยัยกลายเป็นว่าผลเสียเกิดตัวเองไงกลายเป็นคนไม่มีคุณภาพแต่ถ้าเรามีวินัยนตัวเนี่ยจะเป็นคนมีคุณภาพทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไม่ทิ้งงานกลางคันจะต่างกันมากเลยนะระหว่างคนที่มีคุณภาพกับคนไม่มีคุณภาพคนไม่มีคุณภาพ ทำอะไรก็ยากลำบากล้มเหลวงั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองวินัยในตัวก็คือเป็นคนรับผิดชอบรับผิด ช, ชอบตัวเองไงในงานแต่รับผิดชอบก็ต้อปล่อยวางด้วยนะบางทีถ้ารับผิดชอบแล้วไม่ปล่อยวางก็กลายเป็นยึดพอกลายเป็นยึดปุ๊บเนี่ยการเป็นแบกหลาท่านอย่างทุกข์อีก รับผิดชอบแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นเนี่ยถึงจะทํางานมีความสุขได้ทํางานอย่างรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยวางยกยกผลงานให้ความว่างไปถ้าเรายกผลงานให้เราเองเนี่ยบางทีเราไปอัตานะอัตายึดงานไงว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเก่งแล้วมีการเปรียบเทียบไงเราดีคนอื่นคนอื่นก็ไปดีเท่าเราหรอเราเก่งคน อ, อื่นคนอื่นก็ไม่เก่งเท่าเราเนี้ยผมคิดอย่างนั้นคนก็เกลียดอีกคนก็ไม่ค่อยรักไง แต่พูดเล่นหยอกเย่อกันได้อยู่แต่บางทียึดไม่ได้เพราะบาทีกีเหร็มันก็หลอกเรานะให้เราเนี่ยจะต้องเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเชื่อไม่ได้หรอกพวกพวกนี้ โ, โดยเฉพาะผูธท้าบอกว่าการทํางานเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าทําเป็นฉันแตกกอนไว้หลายกองเลยมีกอเดือนมาชอบการทํางานคือการปฏิบัติธรรมอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของมิเกียรสูงสุด อย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ทำฉ่ำซึงจริงเพราะการงานเป็นตัวการประพฤติธรรมกุศลกรรมก้ามปนมามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บดกหลายพกมาคือการงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิขันตีมีอุตสาหมีสัจจะมีธรรมะมีปัญญา มีศรัทธาและกล้าหาญรักงานจริงบางวัดที่ชอบกรรมกรก็เอาเอาเอ า, เอานี่แหละอากอนี่ไปติดไว้เต็มวัดเลยเอามาเห็นหลายวัดแล้วเพื่อให้กาําลังใจพระแม่ชีการงานก็สามารถปฏิบัติทําได้สามารถเจริญติสร้า ง, งู้ตัวได้นะเอามาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอจบลงแค่นี้ก็ขอญาตโยมมีความสุขความเจริญธรรมยิย่งขึ้นไปเอวัง